เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งต่างสานีวิทยุกราบกลัวข่าวกระเบีชาพระมหาภัยบณ์อภิปุณโณแต่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ธรรมบวชเรามาพบกันเป็นมงคลของชีวิตในการที่เราจะได้ฟังาตามธรรมฟังการที่เราจะมีความสุขหรือความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ยังไม่ใช่มงคลคือมงคลคิดว่าเจอความสุขก็ดีเป็นมงคล เจอความทุกข์ก็ไม่ดีไม่เป็นมงคลแต่ว่าความสุขความทุกข์นั้นไม่ใช่เรื่องที่เป็นมงคลระวังแต่มงคลที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้ก็คือไม่ใช่มงคลได้แต่เป็นมงคลทำไม่ใช่ว่าเราได้อะไรดีๆเขาคิดว่าจะเป็นมงคลไม่ใช่อย่างนั้นแต่อยู่ที่ว่าเราทําอะไรที่มันดีๆอันนั้นถึงจะเป็นมงคลการฟังธรรมนั่นก็เป็นมงคลอย่างหนึ่งการดูแลมารดาบิดาให้ดีนั่นก็เป็นมงคลอย่างหนึ่ง การที่รู้จักอดทนรู้จักทำความดีรักษาศีลพวกนี้เป็นมงคลทั้งศีนเป็นมงคลที่เราทำเองได้ดีแล้วความเป็นมงคลในชีวิตก็จะค่อยเกิดขึ้นให้เราตั้งใจในการที่จะทำความดีตั้งแต่บัด น, นี้เป็นต้นไปน้ำฝังแต่อย่าเผลออย่าเพลินไม่ใช่ตั้งใจเฉพาะตอนช่วงต้นปีแต่ว่าระหว่างปีระหว่างเดือนระหว่างวัน จากทำทุกวันให้มันเป็นยาวขึ้นมาเป็นเดือนเดือนการทำความดีเนี่ยจากที่มันเป็นเดือนเดือนก็ให้มันเป็นปีปีขึ้นมาและการทำความดีของเราก็จะมีความก้าหน้าขึ้นมีการพัฒนาขึ้นเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้แหละตั้มบุฟังอย่าไปรอตอนแก่ซะก่อนแต่เพราะว่าแก่แล้วมันก็ไม่แน่ไม่นอนเราทำมันตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ในวยนัยไหนก็ทำมันตอนนั้นพระพุทธเจ้าเตือนเอาไว้ว่ า, ยวาอย่าให้ประมาทในวัย ตั้งแต่ไว้ต้นเลยล่ะถ้าวัยต้นประมาทมาแล้วอตอนนี้อยู่ในวัยกลางแล้วก็อย่าประมาทในไวกลางลถ้าประมาทมาในวัยกลางตอนนี้ไวแก่แล้วก็อย่าประมาทตอนไวแก่ให้เรามีความไม่ประมาทถ้าเราประมาทมาก่อนทํายังไงก็ตอนนี้อย่าประมาทอย่าไปคิดว่าเออตอนแก่ค่อยปฏิบัติธรรมฟังธรรมอย่าไปคิดอย่างนั้นแต่เรามีเพื่อนที่เป็นอย่างนั้นคือตัมบูฟัง ท, ท, ที่ฟังธรรมอยู่เนี่ยก็มีความไม่ประมาทละ ในระดับหนึ่งละ่ะถึงได้มาฟังทําได้ใช่ไหมตอนนี้ถ้าบอกว่าเรารู้จักคนที่เขายังประมาทอยู่คิดว่าค่อยแก่ก่อนแล้วค่อยฟังทำอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็ยังประมาทอยู่ละ่ะก็ช่วยบอกช่วยเตือนกันจะได้ถึงความไม่ประมาทในช่วงของวันจันทร์ถึงวันพุธนะครับท่าเจ้าในช่วงนี้ก็จะนําเรื่องราวที่เป็นธรรมบบทมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังแวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของคนที่เขาไม่ประมาท มาตั้งแต่ในวัยต้นในวัยต้นนี่คือตั้งแต่ยังเป็นเด็กนี่มีความไม่ประมาทก็คือเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่บวชเป็นสามเณรตั้งแต่เด็กสามเณรคนนี้แนะชื่อติสสะติสสะนี่ก็คือชื่อทัท่วไปนะคืออาจจะเป็นต้นของตระกูลดิสกุลอย่างเงี้ยก็เป็นคําเดียวกันติสสนะดิสสะะเป็นคําเดียวกันมาซึ่งก็เป็นชื่อ ท, ทั่วไปที่มีใช้กันหลายคน ในสมัยพุทธกาลนั้นสามเณรติศาเ น, นี่ก็เป็นสามเณรของท่านพระสารีบุตรเรามาบวชอยู่กับท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรนี่ก็มีสามเณรเก่งอยู่หลายรูปอันนี้ก็เป็นหนึ่งในรูปนั้นชื่อว่าติศาสามเณรฟังเรื่องราวของติศาสามเณรที่เมื่อชายก่อนภพก่อนก็เป็นเพื่อนของพ่อของท่านพระสารีบุตรในเรื่องนี้จะมีสองตอนด้วยกันแต่ในตอนแรกตั้งแต่ชายก่อนภพก่อนของสามเณรเป็นมาอย่างไง จนกระทั่งถึงได้ออกบวชออกบวชแล้วมีความสามารถพิเศษอย่างไรอย่างไรจนกระทั่งเขาถึงได้ให้ชื่อท่านหลายชื่อแล้วเกินแล้วก็จนบรรลุถึงพระอรันจากบรรลุถึงพระอรันแล้วเราก็ยังมีลักษณะการแสดงธรรมของท่านซึ่งวันนี้จะให้ฟังเรื่องบรุรพกรรมของท่านจนถึงตอนที่ท่านบรรลุและในวันพรุ่งนี้จะให้ฟังเรื่องที่ท่านได้แสดงธรรมหลังจากที่ท่านบรรลุแล้วต่อไป ในเรื่องของติสสสารมณีนตบวังพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราลพระติสสะเถระผู้มีปกติอยู่ในป่าคือวนาวาสีติสสะตรัพระธรรมเทศนานี้ว่าอัญญาหิลาภูปนิสาอัญญานิพพานะขามินี เอวะเมตังอภิญญายะพิกุพุทธสะสาวโกจัาการังนาพินันทยะวิเวกะมะนุปรูหเยแปลว่าก็ก็ปฏิบัติอันเข้าไปอาศัยลาบเป็นอย่างอื่นก็ปฏิบัติอันอย่างสัตว์ให้ถึงประนิพานเป็นอย่างอื่นคนละอย่างภิกษุ ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทราบเนื้อความนั้นอย่างนี้แล้วไม่ปึงเพลิดเปลินสักการะพึงตามเจริญวิเวกเทศนาตั้งขึ้นแล้วในกรุงราชครึกได้ยินว่าสหายของวังคันตะปรามผู้บิดาของพระสารีบุตรเทระชื่อมหาเสนปราม อยู่ในกรุงราชกฤย์วันหนึ่งพระสารีบุตรเทระเที่ยวบินดบาตได้ไปยังประตูเรือนของปรามนั้นเพื่อนุเคราะห์เขาแต่พรามนั้นมีสมบัติหมดเสียแล้วกลเป็นคนยากจนพรามนั้นมีความคิดว่าบุตรของเราจะมาเพื่อเที่ยวบินดบาต ท, ที่ประตูเรือนของเราแต่เราเป็นคนยากจน บุตรของเราเห็นจะไม่ทราบความที่เราเป็นคนยากจนทายาทำอะไรๆของเราก็ไม่มีเมื่อไม่อาจจะเผชิญหน้ากับพระเถระนั้นได้จึงหลบไปเสียถึงในวันอื่นแม้พระเถระก็ได้ไปอีกมหาเศน้ปรามก็ได้หลบเสียอย่างนั้นเหมือนกันปรามนั้นคิดอยู่ว่า เราได้อะไรอะไรแล้วนั่นแหละจะถวายก็กลับไม่ได้อะไรอะไรภายหลังวันหนึ่งเขาได้ถาเต็มด้วยข้าวปายาตพร้อมกับผ้าซาดกเนื้อหยาบในที่สอนลัติของปรามแห่งหนึ่งถือไปถึงเรือนนึกถึงพระเถระขึ้นได้ว่าการที่เราถวายบิณฑบาตนี้แก่พระเถระเป็นการกวน ในขณะนั้นนั่นเองแม้พระเถระเข้าฌานออกจากสมาบัตรแล้วเห็นปรามนั้นคิดว่าพรามได้ยทยธรรมแล้วหวังอยู่ซึ่งการมาของเราการที่เราไปในที่นั้นจึงจะควรดังนี้แล้วจึงห่มผ้าสังกติถือบาตรแสดงตนยืนอยู่แล้วที่ประตูเรือนของปรามนั้นนั่นเอง รามนั้นพอเห็นพระเทระเท่านั้นก็มีจิตเลื่อมใสแล้วลำดับนั้นเขาจึงเข้าไปหาพระเทระนั้นไหว้แล้วกระทําปฏิสันถา น, นิมนต์ให้นั่งภายในเรือนถือถาดอันเต็มด้วยข้าวปายาตเกลียลงในบาดของพระเทระพระเทระรับกึ่งหนึ่งแล้วจึงเอามือปิดบาด ที่นั้นพรามกล่าวกับปราเตรานันว่าท่านผู้เจริญข้าปราญาินี้สักว่าเป็นส่วนของคนคนเดียวเท่านั้นขอท่านจงทมความสงเคราะห์ในปรโลกแกกระผมเถิดอย่าทำความสงเคราะห์ในโลกนี้เลยกระผมปรารถนาถวายไม่ให้เหลือทีเดียวในนี้แล้วจึงเกลีย่ยลงทั้งหมดป ร, เราเตรยะ ฉันในที่นั้นนั่นและเราะในเวลาเสร็จภารกิจเขาถวายผ้าสาดอกแม่นั้นแกพระเจรนั้นก็ไหว้แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญแม้กระผมปึงบรรลุธรรมะที่ท่านเห็นแล้วเหมือนกันพระเจระกระทำอนุโมทนาแก่ปรามนั้นว่าขอจงสาเร็จอย่างนั้นปรามพระเจระ ลุกขึ้นจากอาสน ะ, ะลีกไปเที่ยวจากิกไปโดยลำดับได้ถึงพระวิหารเชตะวันแล้วตอนพรามยากจนตายไปเกิดในกรุงสาวัตถีก็ตามที่บุคคลถวายในคราวที่ตนตกยาก ย, ออย่อมยังผู้ถวายให้ร่าเริงอย่างยิ่งเพราะฉะนั้น แม้ปรามตะวายทานนั่นแล้วมีจิตเลื่อมใสเกิดโสมนัสแล้วได้ทำความเสน่หามีประมาณยิ่งในพระเถระักด้วยความเสน่หาในพระเถระันั่นแลพรามนั้นทำกาล้าแล้วถือปฏิสนธิในสกุลอุปตากของพระเถระในกรุงสาวัตถี ก็ในขณะนั้นแลมารดาของเขาบอกแกสามีว่าคันตั้งขึ้นแล้วในท้องของฉันสามีนั้นได้ให้เรื่องบริหารคันแกมารดาของตาโรนั้นแล้วเมื่อนางเว้นการบริโภคอาหารวัตถุมีของร้อนจัดเย็นจัดและของเปรี้ยวจัดเป็นต้นรักษาคันอยู่โดยสบาย ความแพ้ท้องเห็นป่านี้เกิดขึ้นว่าใช่ไหนอเราบึงนิมนต์ภิกษุห้าร้อรูปมีพระสารีบุตรเป็นประธานให้นั่งในเรือนถวายข้าวปายาตเจือด้วยน้ำนมล้วนแม้ตนเองนุ่งห่มผ้ากาสายะถือขันทองนั่งในที่สุดแห่งอาสนะแล้วบริโภคข้าวปายาตอันเป็นเด่นของภิกษุ ป, ประมาณเท่านี้ดังนี้ ได้ยินว่าความแพ้ท้องในเพราะการนุ่งห่มผ้ากาสายะนั้นของนางได้เป็นบุตุภะนิมิตแห่งการบรรญัติในพระพุทธศาสนาของบุตรในท้องลำดับนั้นพวกญายของนางคิดว่าความแพ้ท้องของทิดาของพวกเราประกอบด้วยธรรมนั่นนี้แล้วจึงถวายข้าวปายาดเจือด้วยน้ำนมล้วน แกภิกษุห้ารายรูปมีพระสารีบุตรเถระเป็นพระสังฆเถระแม้นางก็นุ่งผ้ากาศายาผืนหนึ่งหมผืนหนึ่งถือขันธทองนั่งในที่สุดแห่งอาสนะบริโภคข้าวปายาตอันเป็นเดนของภิกษุความแปรทองก็ได้สงบลงแล้วในมงคลอันเขากระทำแล้ว ในระหว่างระหว่างแกนางนั้นตลอดเวลาชาตเกิดในคันคลอดก็ดีในมงคลอันเขากระทำแล้วแก่นางผู้คลอดบุตรแล้วโดยล่วงไปสิบเดือนก็ดีพวกญาติก็ได้ถวายข้ามาทุปายาตมีน้ำน้อยแกภิกษุห้ารายรูปมีพระสารีบุตรเถระเป็นประธานเหมือนกันได้ยินว่า นี้เป็นผลแห่งข้าบายญาติที่ทารกตวายแล้วในเวลาที่ตนบินปรามในการก่อนก็ในวันมงคลที่พวกญาติกระทําในวันที่ทารกเกิดพวกญาติให้ทารกนั้นอาบน้ำแต่เช้าตรู่ประดับแล้วให้นอนเบื้องบนผ้ากำพลมีค่าแสนหนึ่งบนที่นอนอันมีสริริตอน ถ้ารกบริจาคทานถ้ารกนั้นนอนอยู่บนผ้ากำรพนนั้นเองและดูพระเทรศแล้วคิดว่าพระเทระนี้เป็นบุรพ า, ารย์ของเราเราได้สมบัตินี้เพราะอาศัยพระเทระนี้การที่เราทำการบริจาคอย่างหนึ่งแก่ท่านผู้นี้เป็นการควรันนี้แล้วอันญาตนาไปเพื่อประโยชน์ แก่การรับสิกาบทได้เอานิ้วก้อยเกี่ยวผ้ากำปนนั้นยึดไว้กระนั้นญาติทั้งหลายของตาโรกนั้นคิดว่าผ้ากำพลคล้องที่นิ้วมือแล้วจึงปรารบจะนําออกตารคนั้นร้องไห้แล้วพวกญาติจึงกล่าวว่าขอพวกท่านจงดีไปเถิดท่านทั้งหลายอย่า ท, ทําทารกให้ร้องไห้เลยณ น, นี้แล้ว จึงนำไปพร้อมกับผ้ากำพล น, นั่นแหละในเวลาไหว้พระเตระทารกนั้นชักนิ้วมือออกจากผ้ากำพลให้ผ้ากำพลตกลงนะที่ใกล้เท้าของพระเตระลําดับนั้นพวกญาติไม่กล่าวว่าเด็กเล็กไม่รู้ได้กระทาไปแล้วแต่กล่าวว่าท่านเจ้าข้าผ้าอันบุด ของพวกข้าพเจ้าตะวันแล้วจงเป็นอันบริจาคแล้วทีเดียวนันี้แล้วจึงกล่าวว่าท่านเจ้าข้าขอพระผู้เป็นเจ้าจงให้สีขาบทแก่ทาตของท่านผู้ทาการบูชาด้วยผ้ากำพลนั่นแหละอันมีราคาแสนหนึ่งพระเตระเด็กนี้ชื่ออะไรหรือพวกญาติชื่อเหมือนกับพระผู้เป็นเจ้ากรับพระเตระ เด็กนี้จะชื่อว่าติสสะก็ได้ยินว่าพระเทระในเวลาเป็นกฤหัสได้มีชื่อว่าอุปติสะมานบแม้มาดาของเด็กนั้นก็คิดว่าเราไม่ควรทำลายอัยาศัยใสของบุตรพวกญาติกรัณาธรรมมงคลคือการขนานนามแห่งเด็กอย่างนั้นแล้วในมงคลคือการบริโภค อาหารของเด็กนั้นก็ดีในมงคลคือการเจาะหูของเด็กนั้นก็ดีในมงคลคือการนุ่งผ้าของเด็กนั้นก็ดีในมงคลคือการโกนจุกของเด็กนั้นก็ดีได้ถวายข้าวมทัททปญาตมีน้ำน้อยแก่ภิกษุประมาณห้ารอรูปมีพระสารีบุตรเทระเป็นประธานเด็กเจริญใวัยแล้ว ในเวลามีอายุเจ็ดขวบได้กล่าวกับมารดาว่าแม่ฉันจะบวชในสำนักของพระเทเะมารดานั้นรับคำว่าดีล่ะลูกเพระาะเมื่อก่อนแม่ได้หมายใจไว้แล้วว่าจะไม่ทำลายอัตยาใสของลูกเจ้าจงบวชเถิดในนี้แล้วก็ให้คนนิมนต์พระเทเรมาถาวายพิสาแก่พระเทระนั้น ้มาแล้วกล่าวขึ้นว่าท่านเจ้าขาทาสของท่านกล่าวว่าจะบวชผู้ดิฉันจะพาทาสของท่านนี้ไปสู่วิหารในเวลาเย็นจะ ไ, ได้ส่งพระเทระไปแล้วในเวลาเย็นพาบุตรไปสู่วิหารด้วยสักการะและสั ม, มาณะเป็ น, นมากแล้วก็มอบถวายพระเทระตอนการบวช ทำได้ยากพระเจริญได้กล่าวกับเด็กนั้นว่าติสะชื่อว่าการบวชเป็นของที่ทําได้ยากเมื่อความต้องการด้วยของร้อนมีอยู่ย่อมได้ของเย็นเมื่อความต้องการด้วยของเย็นมีอยู่ย่อมได้ของร้อนชื่อว่านักบวชทั้งหลายย่อมเป็นอยู่โดยลําบากก็เธอสวัยความสุขมาแล้วติสะ ท่านก็รับก็ผมจะสามารถทำได้ทุกอย่างตามตำานองที่ท่านบอกแล้วพระเจระกล่าวว่าดีละดังนี้แล้วจึงได้บอกกรรมฐานทั้งห้าคือผมขนเล็บฟันหนังด้วยสามารถแห่งการกระทำไว้ในใจโดยความเป็นของปฏิกูลแก่เด็กนั้นให้เด็กนั้นบวชแล้วจึงอยู่การที่ภิกษุ บอกอาการสามสิบสองแม้ทั้งสิ้นเป็นการควรแท้เมื่อไม่อาจบอกได้ทั้งหมดพึ่งบอกตะจะปัญจะกรรมฐานคือผมขนเล็บฝันหนังห้าอย่างก็ได้ว่าด้วยกรรมฐานนี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ทรงละแล้วโดยแท้ภิกษุคดีภิกษุนีก็ดีอุบาสกก็ดีอุบาสิกาก็ดี ผู้บรร ล, ลุพระอระหัตในบรรดาส่วนทั้งหลายมีผมเป็นต้นส่วนหนึ่งหนึ่งย่อมไม่มีกำหนดก็ภิกษุทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดเมื่อยังกุลบุตรให้บวชย่อมทำอุปนิสัยแห่งพระอระหัตให้ชิบหายเสียเพราะเหตุ น, นั้นพระเจระบอกกรรมฐานแล้วจึงให้บวชให้ตั้งอยู่ในศีลสิบ มานาบิดาธรำส ก, การะแก่บุตรผู้บวชแล้วได้ตวายข้ามมันทุปลายาตมีน้ำน้อยเท่านั้นแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานในวิหารนั้นนั่นเองสิ้นเจ็ดวันฝ่ายภิกษุทั้งหลายโ卜ธนาว่าเราทั้งหลายไม่สามารถจะฉันข้ามมันทุปลายาตมีน้ำน้อยเป็นนิดได้มาดา บิดาแม้ของสามเณรนั้นได้ไปสู่เรือนในเวลาเย็นในวันที่7ในวันที่8สามเณรเข้าไปบินดาบากับภิกษุทั้งหลายตอนสามเณรมีลาบมากเพราะผลตานในการก่อนชาวเมืองสาวัตถีกล่าวว่าได้ยินว่าสามเณรจะเข้าไปบินาบาบในวันนี้พวกเราจะทําสการะ แกสามมเนรนั้นณนีน้แล้วได้ทำเทิดด้วยผ้าสาดกประมาณ500ห้าร้อยผืนจะแจ้งบินดบาตประมาณห้าร้อยที่ได้ถือไปยืนดักทางถวายแล้วในวันรุ่งขึ้นได้มาสู่ป่าใกล้วิหารถวายแล้วสามมณเนรได้บินดบาดพันหนึ่งกับผ้าสาดกพันหนึ่ง โดยสองวันเท่านั้นด้วยอาการอย่างนี้ให้คนถวายแก่ภิกษุส่งแล้วได้ยินว่านั่นเป็นผลแห่งผ้าสาดกเนื้อหยาบที่สามเณรถวายแล้วในคราวเป็นมหาเสนาปราบลำดับนั้นภิกษุั้งหลายขนาด น, นามสามเณรนั้นว่าบินทปาตะทายกติสะ รุ่งขึ้นวันหนึ่งในฤ ด, ดูหนาวสามเณรเที่ยวจาริกไปในวิหารเห็นภิกษุทั้งหลายพิงไฟอยู่ในเรือนไฟเป็นต้นในที่นั้นๆจึงเรียนขึ้นมาท่านขอรับเหตุใดท่านทั้งหลายจึงนั่งพิงไฟผู้ภิกษุเพราะความหนาวเบียดเบียนพวกเราสามเณรสามเณรท่านขอรับธรรมดาในฤ ด, ดูหนาว ท่านทั้งหลายควรห่มผ้ากำพลเพราะผ้ากำพลนั้นสามารถกันหนาวได้พว้พิษุสา ม, มนเณรเธอมีบุญมากจึงได้ผ้ากำพลพวกเราจะได้ผ้ากำพลแต่ที่ไหนสา ม, มนเณรกล่าวว่าท่านกอรับถ้ากระนั้นพระผู้เป็นเจ้าท่างหลายผู้มีความต้องการด้วยผ้ากำพลจงมากับกระผมเถิดเราให้บอกภิกษุในวิหารตั้งสิน้น ภิกษุนทั้งหลายคิดว่าพวกเราจะไปกับสามเณรแล้วนำ้ากําพลมาอาศัยสามเณรผู้มีอายุ7ปีออกไปแล้วประมาณพันรูปสามเณร น, น, นั้นมิให้แม้จิตเกิดขึ้นว่าเราจะได้ภากําพลแต่ที่ไหนเพื่อพิอสูจประมาณเท่านี้พาพวกพิสูจนเหล่านั้นบายหน้าไปสู่ปันนักรอแล้วจึงอยู่ กานที่บุคคลถวายดีแล้วย่อเมียหนุภาพเช่นนี้สามเณรนั้นเที่ยวไปตามลำดับเรือนภายนอกปรรณกรอนเท่านั้นได้ผ้ากําปนประมาณห้0ป้อยืนแล้วจึงเข้าไปภายในปรรณกรนพวกมนุษย์นําผ้ากําปนมาแต่ที่นอนที่นี้ส่วนบุรุษคนหนึ่งเดินไปโดยทางประตูร้านตลาดเห็นชาวร้านตลาดคนหนึ่ง ผู้นั่งคลี่ผ้ากำพล500อผืนจึงพูดขึ้นว่าท่านผู้เจริญสามเณรรูปหนึ่งรวบรวมผ้ากำพลอยู่ท่านจงซ่อนผ้ากำพลก่อนท่านเสียเถิดในนี้ชาวร้านตลาดก็สามเณร น, นั้นถือเอาสิ่งที่เขาให้แล้วหรือเขายังไม่ได้ให้บุรุษผู้นั้นถือเอาแต่สิ่งที่เขาให้แล้วชาวร้านตลาดจึงพูดว่าเมื่อเป็นเช่นนั้น ถ้าเราปรารถนาเราจะให้หากเราไม่ปรารถนาจะไม่ให้ท่านจงใบเสียเถิดด่ น, น, นี้แล้วก็ส่ง้าไปตอนลักษณะของคนตรณีจึงอยู่พวกคนตรณีผู้เป็นธนบาลเมื่อชวนเหล่าอื่นให้ทานอย่างนี้ก็ตรณีแล้วจึงเกิดในนรกเหมือนกาลอาหมั เห็นอ า, าสาที่สถานแล้วทันใดอยู่ชนีชาวร้านตลาดคิดว่าบรุษนี้มาโดยธรรมดาของตนกล่าวกับเราว่าจงซ่อนผ้ากำปันเสียแม้เราก็ได้กล่าวกับเขาว่าถ้าสามเณรนั้นถือเอาสิ่งของที่เขาให้ถ้าเราปรารถนาเราจะให้ของของเราถ้าไม่ปรารถนาเราก็จะไม่ให้ก็เมื่อเราไม่ให้ของที่สามเณรเห็นแล้ว ควล า, ายย่อมเกิดขึ้นเมื่อเราซ่อนของของตนไว้ก็ย่อมไม่มีโทษบรรดาผ้ากำพลห500รอยผืนนี้ผ้ากำพลสองผืนมีราคาตั้งแสนการซ่อนผ้าสองผืนนี้ไว้จึงจะควรดังนี้แล้วจึงผูกผ้ากำพลทั้งสองผืนทำให้เป็นชายด้วยชายคือเอาชายผ้าสองผืนผูกติดกัน วางซ่อนไว้ในระบางแห่งผ้าเหล่านั้นฝ่ายสามเณรถึงสถานที่นั้นพร้อมด้วยภิกษุพันหนึ่งเขาบอเห็นสามเณรเท่านั้นความรักเพียงดังบุตรก็เกิดขึ้นแก่ชาวร้านตลาดสรีระทั้งสิ้นได้เต็มเปี่ยมแล้วด้วยความรักเขาจึงคิดว่าผ้ากัมพลทั้งหลายจงยกไว้เราเห็นสามเณร น, นี้แล้ว จะให้แม้เนื้อหัวใจก็ยังให้ได้จเจ้าร้านตลาดนั้นนำผ้ากำปันทั้งสองผืนนั้นออกมาวางไว้แทบเท้าของสามเณรวายแล้วได้กล่าวว่าท่านเจ้าค่าผมพึงมีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้วสามเณรแม้นั้นได้ทำอนุโมทนากกเขาว่าขอจงสำเร็จอย่างนั้นเถิด สามเณรได้ผ้ากำพล500ผืนแม้ในภายในปรณกรในวันเดียวเท่านั้นได้ผ้ากำพลปันหนึ่งได้ถวายแก่ภิกษุ1ันหนึ่งด้วยประการชนีริะนั้นภิกษุทั้งหลายจึงขนานนามของสามเณรนั้นว่ากำพลทายกติสะผ้ากำพลที่สามเณรให้ในวันตั้งชื่อ ถึงความเป็นผ้ากรรมพันหนึ่งในเวลาตนมีอายุเจ็ดปีด้วยประการชนีตอนให้ของน้อยแต่ได้ผลมากของน้อยอันบุคคลให้แล้วในฐานะใดย่อมมีผลมากของมากที่บุคคลให้แล้วในฐานะใดย่อมมีผลมากกว่าฐานะอื่นนั้นยกพระพุทธศาสนาเสียมิได้มี พระเุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายของน้อยที่บุคคลให้แล้วในหมู่ภิกษุเช่นใดมีผลมากของมากที่บุคคลให้แล้วในหมู่ภิกษุเช่นใดมีผลมากกว่าหมู่ภิกษุนี้ก็เป็นเช่นนั้นแม้สามเณรมีอายุเจปีได้ผ้ากรรมลพันหนึ่ง ด้วยผลแห่งผ้าคกำพลปืนหนึ่งด้วยประการชนีเมื่อสามเณรนั้นอยู่ในพระเชตวันพวกเด็กที่เป็นญาติมาสู่สำนักผู้จ่าปราศัยหนึ่งเนืองสามเณรนั้นมีความคิดว่าอันเราเมื่ออยู่ในที่นี้เมื่อเด็กที่เป็นญาติมาพูดอยู่ไม่อาจที่จะไม่พูดได้ด้วยการเนิ่นช้าคือการสนทนากับเด็กเหล่านี้ เราไม่อาจาทำที่พึ่งแก่ทนได้ใช่นนหนอเราเรียนกรรมฐานในสำนักของพระศ า, ศาสดาแล้วพึงไปอยูป่ป่าเหล่านี้ติดสาสามิเนนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วทูลให้พระศาสดาตรัสบอกกรรมฐานจนถึงพระรหัสได้ว่ายพระอุปชาคือท่านพระสารีบุตรแล้ว ถือบาตรและจีบอเอาไปจากวิหารแล้วมีความคิดว่าถ้าเราจะอยู่ในที่ใกล้ไซพวกญาติจะร้องเรียกเราไปเธอจึงได้ไปสิ้นทางประมาณ1น0โยยี่สินั้นสาเมเณรเดินไปทางประตูบ้านแห่งหนึ่งเห็นชายแก่คนหนึ่งจึงถามว่าหัวาศกวิหารในป่าของพี่สุทั้งหลาย ผู้อยู่ในประเทศนี้มีอยู่หรือไม่อุบาสกมีขอรับสามเณรถ้าอย่างนั้นขอท่านช่วยบอกทางแก่ฉันเถิดก็ความรักเพียงดังบุตรได้เกิดขึ้นแก่อุบาสกเพราะเห็นสามเณร น, นั้นลำดับนั้นอุบาสกยืนอยู่ในที่นั้นนั่นแลไม่บอกแก่สามเณร น, นั้นแต่กล่าวว่า มาถึงกรับผมจะบอกแก่ท่านได้่าสามเณรนั้นไปแล้วสามเณรเมื่อไปกับอุบาสกแกคือชายแก่นั้นเห็นประเทศคือดินแดนหแห่งหแห่งอันประดับแล้วด้วยดอกไม้และผลไม้ต่างๆในระหว่างต่างจึงถามว่าอุบาสกดินแดนคือประเทศนี้ชื่อว่าอะไร ภายอุบาสกนั้นบอกชื่อประเทศเหล่านั้นแก่สามเณร น, นั้นถึงวิหารอันตั้งอยู่ในป่าแล้วกล่าวว่าท่านขอรับที่นี่เป็นที่สบายขอท่านจงอยู่ที่นี่เถิดหนานี้ชายแกคืออุบาสกนั้นจึงได้ถามสามเณรว่าแล้วท่านชื่ออะไรขอรับเมื่อสามเณรบอกว่า ฉันชื่อวนวาสีติสะอุบาสกอุบาสกนั้นจึงกล่าวว่าพรุ่งนี้ท่านควรไปเที่ยวบินตาบาดในบ้านของพวกกระผมแล้วเขาก็กลับไปสู่บ้านของตนนั่นแหละว่าแกพวกมนุษย์ว่าสามเณรชื่อวนาวาสีติสะมาสู่วิหารแล้วขอท่านจงจัดแจงอาหารวัตถุมียากูและพัดเป็นต้นเพื่อสามเณรนั้นดังนี้ ในครั้งแรกที่เดียวสามเณรเป็นผู้ชื่อว่าติสสะแต่นั้นได้ชื่อสามชื่อเหล่านี้คือบินท่าปาตะทายกติสสะคาพลทายกติสสะวนาวาสีติสสะได้ชื่อสี่ชื่อภายในอายุเจ็ดปีในวันรุ่งขึ้นสามเณรนั้นเข้าไปบินบาทอย่างบ้านนั้นแต่เช้าตรู่พวกมนุษย์ ถวายภิกษะวายแล้วสามเณรกล่าวว่าขอท่านทั้งหลายจงถึงซึ่งความสุขขอจงพ้นจากทุกข์เถิดอย่างนี้แม้มนุษย์คนหนึ่งถวายภิกษะแก่สามเณรนั้นแล้วก็ไม่สามารถจะกลับไปยังเรือนได้อีกทุกคนได้ยืนแลดูอยู่ทางนั้นแม้สามเณรนั้นก็รับพัดพออย่างอัตภาพ ให้เป็นปายเพื่อตนชาบ้านทั้งสิ้นหมอบลงด้วยอกแทบเท้าของสามเณรนั้นแล้วกล่าวว่าท่านเจ้าข้าเมื่อท่านอยู่ในที่นี้ตลอดไตรมาสนี้พวกกระผมจะรับสารณะสามตั้งอยู่ในศี 5, ลห้าสมอุโบสดกรรมแครั้งต่อเดือนขอท่านจงให้ปฏิ ญ, ญาแก่พวกกระผมทั้งหลายเพื่อประโยชน์แห่งการอยู่ที่นี้เถิด สามเณรนั้นกาหนดอุปการะจึงให้ปฏิญญาแก่มนุษย์เหล่านั้นเที่ยวบินนาบัดในบ้านนั้นนั่นแลเป็นประจำก็ในขณะที่เขาไหว้แล้วไหว้แล้วสามเณรกล่าวเฉพาะสองคำว่าขอท่านทั้งหลายจงถึงซึ่งความสุขจงพ้นจากทุกข์นันนี้แล้วก็หลีกไปสามเณรนั้นให้เดือนที่หนึ่งและเดือนที่สองล่วงไปแล้ว ในที่นั้นแม้เดือนที่สาล่วงไปก็บรรลุพระอารหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทา น, นั่นคือในเรื่องเบื้องต้นของท่านสามเณรติสะที น, นี้ว่าชื่อของท่านนะชื่อของท่านที่พูดในภาษาบาลีว่าวนวาสีติสะเทระเนี่ยคำว่าวนวาสีก็หมายถึงว่าผู้ที่อยู่ป่า น, นั่นเองนะชื่อจริงๆของท่านคือติสะ ทีนี้ตอนนี้เราถึงตอนที่สามเณ น, นท่านนี้ก็บรลุพระอาหารหันต์ละเราจะมาต่อในวันพรุ่งนี้ที่ว่าท่านแสดงธรรมว่าเอให้พ้นจากทุกข์ให้ได้ถึงสุขเนี่ยหมายความว่ายัางไงพรุ่งนี้เรามาฟังกันต่อท่านผู้ฟังวันนี้เวลาหมดแล้วกราประชาพระมหาภัยบุญอภิปุนโนจากวัดป่าอนายศกเจริญีบอร์น